อนาปติวันพิษสูต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ316 1. ้ิกษสยืนดูอยู่ในอาราม 2. อพิษสูดูกองทัพที่ยกผ่านมาอย่างที่ที่พิษสยืนที่พิษสูนั่งหรือที่พิษสูนอน 3. าพิษสูเดินสวนทางไปเห็น 4. ีพิษสูดูเมื่อมีเหตุผลที่สมควร 5. ้พิษสูดูเมื่อคราวมีเหตุขัดข้อง6กพิษสวิกลจริต7จพิษสต้นบัญญัต อุยยุตเเซนาสิกาบทที่แปดจบ